ห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะของห้องสมุดหลังใหม่ที่มีความพิเศษนะคะเพราะว่า มีแขกรับเชิญอาจารย์ประมวลเพงจันนะคะซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยอ า, อาจารย์ได้มาแนะนำแล้วก็เล่าถึงความสำคัญของหนังสือพระวัตรขีตาราชศาสตร์แห่งการอย่างรู้พระเจ้านะคะ ของท่านปรมาหังษาโยคานันทะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจฟังจากห้องสมุดหลังใหม่แล้วอยากจะไปลองหามาอ่านมาศึกษาเรียนรู้ก็ถามหาตามร้านหนังสือใหญ่ ใ, หญใกล้บ้านคุณชุดละ 1,999 บาทคุ้มค่ามากๆอ่านได้ช่วลูกชั่วหลานเลยนะคะเล่มนี้แล้วก็อ่านได้ตลอดชีวิตด้วยวันนี้ค่ะอีกหนึ่งตอนนะคะ เชิญอาจารย์มาคุยแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้เขียนของหนังสือภระคัมีคีตาในส่วนที่เป็นฉบับขยายท่านปรมาหังสายโยคา น, นันทะนะคะเพราะว่ามีอัตตาชีวประวัติของท่านเองซึ่งเป็นหนังสือที่โด่งดังมากในสหรัฐอเมริกานะคะดิฉันเปิดดูคร่าวๆเนี่ย หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในร้อยเล่มแห่งศตวรรษที่20บนะคะบอกว่าเป็นประวัติชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ของท่านปรมาหังษาโยคา น, นันทะซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบแห่งโยคียวิทยาศาสตร์และปาฏิหาริอ์ออฟังแล้วก็ น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอัตชีวประวัติของโยคีประมาณหังสายโยคานันทาเล่มนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างสําหรับคนไทยนะคะเพราะว่าด่งดังในสหรัฐอเมริกาแต่ก็มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยตอนนี้อาจารย์ประมวลเพ่งจันอยู่กับดิฉันแล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกตอนหนึ่งสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณนัทสมีครับค่ะวันนี้เนี่ย อ, อ, อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแนะนําถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มนี้เป็นอัตชีวประวัติของท่านปรมาหังสายโยคานันทะ ค, คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะอาจารย์แต่ซาร์ปอนหนังสือเล่มนี้ดังมากในสหรัฐเล่มนี้ดังครับและมีคนสนใจที่จะอ่านและมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆนะครับจากภาษาอังกฤษหลายภาษามากครั บ, รบผมไม่มีข้อมูลส่วนนี้อยู่ในมือแต่ทราบว่าเป็นหนังสือที่มีการแปลเป็นภาษาอื่นมากเล่มหนึ่งในในบรรดาหนังสือที่มีเผยแพร่ในศตวรรษที่20ครับ แน่นอนว่าอาจารย์ต้องอ่านแล้วแน่นอนเพราะอ่านแล้วครับเพราะถูก <c oughs> บังคับห้อ่านตั้งแต่ส ม, มัยเป็นนักศึกษาอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่มันเป็นความรู้ความเชื่อของชาวอินเดียนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมเองตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับเพราะหนึ่งภาษาเราก็ไม่ดีอันที่2เราถูกบังคับอ่าน <c oughs> พอถูกบังคับอ่านก็เลยแค่ ให้พอทราบคร่าวๆก็จะไปตอบข้อสอบได้เรามานี้ครับต้องเรียนคุณนุ่ฟังว่าอาจารย์ประมวลเคยเป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดีย10กว่าปีนะคะอาจารย์เรียนทางด้านปรัชญาด้านปรัชญาศาสนาครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่นักศึกษาต้องอ่านคือเป็นหนังสือที่เหมือนกับกึ่งๆบังคับให้อ่าน เพราะเป็นเรื่องราวที่มันจะเป็นความหมายที่ทําให้เรารู้ลทัทธิความเชื่อหรือคติความเชื่ออะไรบางอย่างพผมก็เลยอ่านอ่านแบบแบบไม่ค่อยเต็มใจอ่านสักเท่าไหร่ <c oughs> เพรามีความรู้สึกว่าไม่ <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นแต่ต่อมาภายหลังก็เหมือนกับมี ความ ห, หมายที่ต้องกลับมาอ่านแล้วก็รู้สึกได้ถึงความ ห, หมายที่ว่าตอนที่เราอ่านในวัยหนุ่มนั้นเราไม่ค่อยมีความสนใจแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะอ่านแต่มาอ่านในช่วงวัยยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีการแปลเป็นภาษาไทยก็ทําให้กลับกระทบทวนอีกครั้งและ้ะอ่านใหม่อีกครั้งก็พบว่ามีความหมายบางอย่างที่บางทีเราก็อาจเข้าไม่ถึงในสมัยเราอยู่ในวัยหนุ่ม แต่เมื่อเรามาอยู่ในไวชาราแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องราวที่ท่านบอกเล่านั้นนะมันมีมิติอะไรบางอย่างที่เราสามารถทําความเข้าใจได้ครับอืหนังสือเล่ม น, นี้นี่ทําไมฝรั่งเขาถึงชอบพะอาจารย์ทําไมถึงดังผมเข้าใจว่าเขาสนใจสิ่งที่เรียกว่าเป็นอินเดียอืเพราะว่าอินเดียในสมัยที่ท่านไปอยู่ที่อเมริกานะครับมันยังเป็นสิ่งที่เหมือนกับมีความลี้ลับอยู่มีความเอะไรนะครับมีน้าค้นหาน้าค้ น, นหา คนคนโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกามีความรู้เกี่ยวกับอินเดียน้อยนะครับอันนี้ภาคพื้นยุโรปมีคนที่รู้อินเดียบ้างนะครับบางสังคมเช่นเยอรมันมีความรู้เรื่องอินเดียดี แต่บางประเทศซึ่งมาล่าอาณานิคมอินเดียก็อาจจะมองอินเดียเปยนเพียงแค่แผ่นดินซึ่งปลูกเครื่องเทศได้แล้วก็เข้ามาเพื่อจะค้าขายหรือมาแสวงหาประโยชน์จากอินเดียเพรา ะ, ะนนในความปิดอินเดียที่แท้แทเนี่ยครับมันก็เลยยังซุกซ่อนอยู่ในมิติทางวัฒนธรรมสังคมนะครับแต่ทีนี้กรณีของท่านโยคานันทะท่านซึ่งเป็นชาวอินเดียและไปอยู่ในต่างประเทศท่านก็สามารถพูดในนามของคนอินเดียและเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวของท่านก็กลายมาเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดความหมายที่น่าสนใจสําหรับคนซึ่งยังไม่ รู้จักอินเดียดีนักว่าสิ่งที่มันเป็นความเชื่อซึ่งดูเหมือนกับลี้ลับอย่างนั้นนะนะครับมันมีมิติมีความหมาย จ, จากการบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงก็เลยมีพลังในการบอกเล่านี่เหมือนกับเป็นเรื่องเล่าชีวิตส่วนตัวแต่เป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังครับอื ม, อมค่ะอาจารย์ก็ถามแบบคนไม่เคยรู้นะคะเกี่ยวกับอินเดียคือหนูเคยฝึกโยคะครับแล้วก็เคยอ่านหนังสือการ์ตูนการ์ตูนไข่หัวเราะ ห, หรืออะไรแบบเนี้มันก็จะมีภาพจําของโยคีเอามาล้อกัน นอนบนตะปูซึ่งพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันก็ขำๆแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าภาพจำของโยคีก็คือเขามีการฝึกเพื่อการอย่างรู้อะไรบางอย่างผ่านความทุกข์ทรมานใช่รจริงๆแล้วโยคีเนี่ยอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตการเป็นโยคีนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาเขาฝึกไปเพื่ออะไรคือโยคีมีความชัดเจนนะครับในเป้าหมายของชีวิต ว่าตัวท่านต้องการจะบรรลุถึงสภาวะที่เป็นความรู้ชั้นสูงความรู้ชั้นสูงที่พูดถึงนี่ความรู้ที่ทําให้ตัวท่านเองเนี่ยครับปลอดพ้นจากเงื่อนไขข้อกําหนดกายภาพที่ทําให้ท่านเกิดความหวั่นไหวเกิดความหวาดกลัวนะครับเหมือนเหมือนถ้าในพุทธศาสนาก็คือ นักบวชจะเป็นพระ ก, ก็คือพระภิกษุเนี่ยครับแต่<ม>ว่าเป็นคนลัศาสนาใช่ใช่ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าลทัทธิโยคีหรือลทัทธิความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็มีคติคล้ายๆกันต่างแต่เพียงแค่ว่ารูปแบบเคร่งครัดอาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างนึกถึงภาพนะครับว่าเราเป็นพระภิกษุเรามีพระภิกษุอยู่ในประเทศไทยจากวันดีคืนดีซึ่งเคยเป็นใครสักคนหนึ่งเราก็ไปโก น, นผมใส้หมดเลยอื แต่เราก็บอกว่าที่เคยรับประทานอาหารได้สมรัติยาสายวันละกี่มื้อก็ได้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดปรับเปลี่ยนบอกว่าจะทานแค่ประมาณไม่เกิน2มื้อก็คือเช้ า, ชากับเที่ยงหลังนั้นเราจะไม่ทานอาหารอีกแล้วถ้าเคร่งคลัตขึ้นที่กันแต่บอกว่าเราเองจะต้องนอนบนที่ที่นอนที่มันไม่มีฟูกไม่มีเครื่องนอนอะไรที่สะดวกสบายนะครับผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ใช้เพียงแค่จําเป็นไม่ให้เกิน3มชิ้นที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นเหล่านี้นะครับจริงๆนี่ก็คือโยกี Oh, ในความหมายนะครับแต่ที่รูปแบบโยคยีที่ว่านี้คำถามก็คือนึกถึงภาพนะครับว่าถ้าเราเห็นพระภิกษุที่สั้นเคร่งครัดท่าน uh huh. ก็ปฏิบัติอะไรในความหมายที่เป็นโยคยีนี่แหละ ที่เป็นความลําบากมนุษย์โดยทั่วไปบางคนบอกว่าอยู่ในเมืองมันสะดวกสบายไปไปอยู่ในป่าเขาเมื่อไปอยู่ในป่าเขาแล้วก็จะมีวัดปฏิบัติที่สมถานเช่นว่าต้องนอนใต้ต้นไม้อยู่เป็นนิดไม่เป็นนอนในที่มุงที่บังต้องทานอาหารเพียงมือเดียวคําว่ามื้อเดียวบางทีก็ต้องมีข้องดเป็นตั้งหลายอย่างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่านี้ก็คือวัดปฏิบัติซึ่งเกิดขึ้นโดยฐานของความเชื่อที่เป็นพื้นฐานอยู่อินเดียอยู่แล้วนึกถึงภาพนะครับว่าเมื่อสมัยพระสิทธะ ซึ่ง <c oughs> เป็นพระรา ช, ชกุมารในพระราชวังออกบวช <c oughs> ก็บวชเป็นโยคีเนี่ยครับเ<อ>พราะท่านจึงไปบำเพ็ญทุกข ก, ก, กิริยาพระอ ง, งคทาราบอยู่แล้วใช่ไหมครั บ, รบเราจึงมีปางทุกขักบำเพ็ญทุกข ก, กิริยาไปอดข้าวอดน้ํากลั่นลมหายใจอะไรเหล่านี้ครับซึ่งก็คือการปฏิบัติในความหมายซึ่งมีอยู่เป็นปกติสําหรับผู้แสวงหาความหลุดพ้นเพราะเมื่อสิทธศักกุมารซึ่งเป็นพระมหาบุรุษที่ต่อมามาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาจะหลุดพ้นจากความรู้สึก ขับแคนหวั่นไวหวหวาดกลัวเมื่อท่านออกไปเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายแล้วก็รู้ว่าสาภาวะนั้นเป็นสาภาวะที่ทั้นก็หนีไม่พ้นคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จะแก่และเจ็บตายอย่างไรฮะไม่เกิดความรู้สึกหวั่นไวหวหวาดกลัวท่านจึงออกบทเป็นนักบวทซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาหนึ่งก็คือท่านออกไปเป็นโยคียนั่นแหละท่านจึงมีวัดปฏิบัติอยู่ตั้ง6ปีนะครับแต่สุดท้ายท่านก็คิดว่าการทรมานร่างกายเกินไปนั้นมันยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมชั้นสูงได้ท่านจึงบอกเปิดเผยเรื่องนี้กับฤาษีปัญจวคี่วา ท่านพิสูจน์มาแล้วซึ่งตอนนั้นปัญจวัคคีย์ก็เป็นโยคียเป็นโยคีย <c oughs> แล้วตอนที่พระพุทธเจ้าของเรายัางไม่บรรลุธรรม <c oughs> ยังเป็นฤาษีโยคียอยู่เนี่ยทุกคนก็เป็นโยคียหมายถึงต้<พ> อ, <พ>อเป็นอพอนเป็นโยคียด้วยกันอดข้าวแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่านี้ไม่ใช่หนทางแล้วค่ะ <c oughs> หันกลับมา ทานอาหารหรือสีปัญญาวะคียจึงบอกว่าอ้าวอย่างนี้ไม่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วจึงหนีจากไปเลยเพราะมีความเชื่อมั่นโดยสุดจริตใจว่าผู้จะบรรลุธรรมชั้นสูงต้องทรมานร่างกาย ต, ต้องทรมานร่างกา ย, ตาากายแต่พระพุทธเจ้าเราบอกว่าการทรมานร่างกายมันก็เป็นทางสุดอีกอยางหนึ่งที่เรียกว่าอัตตกิรมถ า, านุโยกก็คือบําเพ็ญตนให้ลําบากท่านบอกไม่มีประโยชน์ส่วนวิธีวิธีหนึ่งซึ่งคนช่บไปปฏิบัติอยู่คือ เจ็เสวยการมาคุณอยู่อย่างมากมายรนุนพลชึงบอกไอ้ไ อ, กอขข้การสุขาริการนุโยคนี่ก็ไม่ถูก ม, มันต้องมีวิธีปฏิบัติซึ่งกายและใจจะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันและทำให้เกิดความเกื้อกูลที่จะรู้แจ้งทำได้พระองค์จึงมาปฏิบัติในความหมายแบบที่ว่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งร่องรอยนะครับผู้ที่จะรู้แจ้งทำอย่างฉับพลันรวดเร็วจะต้องละเว้นสิ่งที่มันเป็น ภาระหรือเป็นสิ่งที่ผูกมัดทั้งด้านจิตใจแต่ทีนี้กรณีโยคีในอินเดียนั้นก็คือวิสีซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ า, าแล้วก็ยังปฏิบัตินนอยู่วิสีก็ยังมีอยู่แล้วแต่เพราะว่าต่อมาต่อมาหลังจากที่ กเกิดพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อก่อนโยธีไม่ได้มีกฎเกณฑ์เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอาจจะเอาเสื้อผ้าที่ไหนก็ได้หรือบางทีเราเห็นรูปยืดสี น, นุ่งผมหนังเสือสคล้า ว, วยาวใช่แต่ประมาณใน <ไป S 2> สมัยนะพระพุทธเจ้าท่านก็มีข้อกํากับว่านักบวชในศาสนาของท่านหรือเป็นสิทธ์ของท่านจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยก็ไม่ได้หมายไปซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ที่รุ่งระห์นะครับไปเอาผ้าที่ก็ทิ้งแล้วนี่แหละแต่ต้องมาย้อมให้มันเรียบร้อยใหญ่มันมีสีซึ่งมันให้ย้อมให้เป็นสีซึ่งมันง่ายๆแล้วก็ตัดเเเยย็็บบบให้ปนระี มันจึงเกิดจีวรของพระภิกษุขึ้นในพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราเห็นจีวรพระภิกษุเราจะรู้สึกแปลกอย่างหนึ่งว่าทํำไมต้องทําเป็นส่วนๆใช่มีหลายชิ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบัตรบัญญัติไงครับว่าเมื่อเอามาตัดเย็บต้องเย็บอย่างไรเพราะมันเป็นเศษผ้าโบราณเนี่ยปัจจุบันไม่จําเป็นต้องเป็นเศษผ้าแล้วแต่ก็รักษาแต่ก็รักษาจารีตนี้ไว้ท่านเวลาไปซื้อจีวรต้องตัดได้เป็นส่วนๆเพราะในสมัยที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นสมณะสักกายบุตรแล้ว ก็มีปัญหาว่าจะเอาเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ทิ้งไว้เสื้อผ้าบังสกุลคือเสื้อผ้าที่สุกทิ้งเปื้อนฝุ่นเปื้อนผ้าห่อศพอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้มันตอนที่เอามันเปื้อนๆต้องมาทําย้อมสีสมัยให้มันดูไม่มีรอยเปื้อนอย้อมสีแล้วก็เอามาตัดเย็บจะไม่เป็นระเบียบพระพุทธเจ้าเห็นว่าควรจะตัดเย็บให้มันเป็นระเบียบจะได้ดูเขาจะได้ดูไม่ไม่น่าเกลียด ภาษาพระสมบัติเป็นสมณะสารูปคือเหมาะสมกับสมณะคือผู้สงบจึงมีความคิดว่าจะตัดยังไงจะได้ตัดให้เหมือนกันสุดท้ายก็มองเห็นคันนาของชาวมคตมันเป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงที่มีสัดส่วนที่ดูดีบอกให้ตัดเหมือนรูปคันนาของชาวมคตน่ะ มีหน้าอาจารย์พูดถึงนูนึกออกเลยเพราะเคยสังเกตเหมือนกันว่าจีบอลพระจะเป็นเหลี่ย ม, เ, ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหมือนกับคันนาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นแบบ น, น, นั้นเลยค่ะนี่เป็นที่มาครับแต่ทีนี้ที่พูดตรงนี้เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าโยคีก็คือบุคคลนะครับที่มีจิตมุ่งปรารถนาที่จะศึกษาเรียนรู้ให้หลุดพ้นจากพันธนาการอันเป็นเครื่องปลูกมัดทางกายภาพและตอนนี้ก็มีเครื่องแบบไหมคะโยคีก็โยคีต่อมาก็มีการพัฒนามาตามลําดับอย่างกรณีที่เราพูดถึงท่านโยคีโยคานันทะท่านก็มีสายของปฏิบัติรของแล้ว ก็มีที่ผมพูดว่ามันมีอยู่สองสายที่สายป่าถ้าเป็นสายบ้านก็ลงท้ายด้วยคําว่าปุรีดังเช่นท่านสัตยาณันฐ ป, ปุรีถ้าสายป่าก็ลงท้ายด้วยคําว่าคีรีตัวท่านโยคานันท์ น, นี่จริงๆก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าคีรีาปสาป่ท่านเป็นสายป่าคือสายนักบวชที่บําเพ็ญโยคะเป็นลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองศึกษาเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องมิติด้านจิตใจภายในแต่ท่านสัตยานันฐปุรีเป็นสายเมืองท่านยังมีความรู้เรื่อง กฎบัตรกฎหมายมีความเรื่องอท่านจึงมาต่อสู้อยู่ในประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับอาจารย์ค ะ, ะโยคีเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันคะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นโยคีในเมืองนี้เขามีวัดมีอะไรอยู่ไหมคะอ๋อถ้าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถชั้นสูงแล้วก็จะมีสํานักเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปเขตั้งสํานักเป็นที่สํานักปัจจุบันเราจึงมีการกลับไปที่อินเดียมีคนไทยจํานวนหนึ่งก็ไปเรียนไปศึกษาเรื่องลทัทธิโยคะเรื่องการปฏิบัติโยคะมีสํานักที่ชัดเจนครับแล้วก็มีีมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย บางครั้งบางคราวก็ไปตั้งสำนักอยู่ในต่างประเทศซึ่งเราก็ทราบดีว่าปัจจุบันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโยคะเนี่ยครับที่ได้รับการนิยมอย่างมากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพให้ดีเพราะฉะนั้นรูปแบบระเบียบวิธีการปฏิบัติของโยคีเนี่ยสุดท้ายกลายมาเป็นชุดความรู้ที่มี คุณค่านะครับในสังคมยุคปัจจุบันจนกระทั่งปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติโยคะกันอย่างมากมายไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชนะครับเป็นแต่เพียงแค่เราจะต้องการดูแลสุขภาพของเราให้ดีและความงามด้วยค่ะและความงามด้วยทำให้เป็นที่นิยมมากเลยปัจจุบันจึงกลายมาเป็นว่าเป็นที่นิยมของเขาโยคะเลยถึงยุติักกันในความหมายของการดูแลสุขภาพแต่ความจริงในความเป็นจริงนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเส้นทางการปฏิบัติของโยคีครับอืมค่ะทีนี้ ชีวิตของท่านปรมาหังสาโยคานันทานเนี่ยชีวิตท่านน่าสนใจยังไงคะอาจารย์คือท่านเป็นบุคคลที่เหมือนกับเหมือนกับบ้านเรามีหลวงปู่พระเกจิสักองค์หนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็จะเล่าชีวิตของท่านตั้งแต่วัยเด็กว่าท่านเกิดมาในครอบครัวอย่างไรได้รับการศึกษาแบบไหนและท่านหันมาสนใจสิ่งที่มันเป็นมิติ ด, ด้านจิตวิ ญ, ญญาณออกแสวงหาสิ่งที่มันเป็นความรู้ในสายนักบวชอย่างไรท่านเล่าละเอียดครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีเรื่องเป็นเชิงปฏิหารที่ทำให้ท่านเป็นเป็นเรื่องเชิงปฏิหารนะครับ เป็นเรื่องเชิงปฏิหารก็คือหมายความว่าเหมือนกับท่านถูกกาหนดไว้แล้วว่าจะต้องมาเป็นนักบวชท่านถึงกับมีความเชื่อว่าเป็นกิจที่ครูองท่านกําหนดไว้แล้วว่าท่านต้องไปประกาศศาสนาที่ประเทศทางตะวันตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นไปในเรื่องมันจึงกลายมาเป็นเราอ่านแล้วเราก็สนุกไปด้วยเหมือนกับเราอ่านเรื่องราวของชีวิตของลุงปู่ของใครบ้านเราอะนะคำว่าตลกคําว่าสนุกก็คือมันมีเรื่องราวเชิงอับินนิหารซึ่งเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นหลักฐานว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงๆ เพรการที่ท่านได้พบกับครูบาอาจารย์ของท่านการที่ท่นได้ปฏิบัติมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างของท่านเองและสิ่งที่มันเป็นข้อความที่ท่านพูดถึงวนันนี้มันก็เป็นสิ่งทำให้ชาวตะ ว, วันตกเกิดความสนใจอยากรู้เพราะมันเป็นสิ่งใหม่หสําหรับคนต่างตะ ว, วันตกโดยเฉาะคนในอเมริกาว่าความรู้แบบนี้มีอยู่จริงหรือก็อยา ก, ยากทําให้เกิดความสนใจอยากจะพิสูจน์อยากจะอะไรนะครับเพราะกรณีของท่านโยคานันทะเมื่อท่านเขียนอัตชีวประวัติที่กลายมาเป็นหนังสือที่น่าสนใจแน่นอนหนึ่งอ่านสนุกเพราะเป็นเรื่องเล่าที่มีมันก็มีฉาก <c oughs> มีตัวละคร <c oughs> แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็แสดงให้เห็นถึงความหมายในมิติด้านจิตใจตามความเชื่อของชาวอินเดีย <c oughs> ซึ่งเวลาเราจะไปอ่านคัมภีร์อินเดียมันก็เป็นคัมภีร์ไปเลยมันเหมือนกับอ่านยากแต่ถ้าพอเรามาอ่านเรื่องราวของท่านมันทําให้เราเข้าใจเรื่องราวยากๆ ก, กว่านั้นผ่าน <c oughs> ชีวิตของท่านอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราอ่านเราอ่านชีวิตของคนอินเดียคนนึงในช่วงประมาณสักห้ากว่าปีไม่ใช่ห้ากว่าปีสิห้าสิบกว่าปี เจ็ดสิบแปดสิบปีเพราะว่าย้อนไปั้อนต่สมัยที่ต้นศตวรรษที่20สต้นศตวรรษที่20ก็ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบปีประมาณนั้นนะคะก็คือจริงๆท่านก็ถ้าเป็นพูดเทียบเชียงกับบ้านเราก็คือ ชีวิตของหลวงปู่สัก อ, องหนึ่งสมมติว่าเป็นหลวงปู่ม่นหลวงปู่ม่นใช่คล้ายๆกันปเป๊ะเลยท่านจะมีประวัติเรื่องการเดินทางจาริกทูดงบําเพ็ญภาวนาเจอเรื่องเราแบบเป๊ะเลยครับคนไทยจึงไม่รู้สึกแปลกนะครับแต่ชาวต่างประเทศเขารู้สึกแปลกเพราะเป็นเรื่องที่มันเหลือเชื่อในความรู้สึกของเขาแต่สำหรับประชาชนคนไทย ผมพูดได้เพียงแค่ว่าชีวิตของท่านก็คล้ายๆกับหลวงปู่ถ้าเอ่ยชื่อหลวงปู่มั่นก็ชัดเจนขึ้นมามใช่ไหมครับว่าท่านได้เล่าเรื่องราวหรือมีลูกศิษย์ของท่านมาเขียนเล่าเรื่องราวของท่านว่าท่านจาริกทูดองไปที่นั้นที่นี้ท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรชีวิตของท่านโยคานนันทะก็เป็นอย่างนั้นครับก็คือเป็นการเล่าแต่เล่าโดยตัวท่านเอง และเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นชาวต่างประเทศทางตะวันตกได้อ่านเพราะนั้นเรื่องราวของท่านเลยกลายมาเป็นเรื่องราวที่ต่างประเทศในสมัยนั้นเขาสนใจเพราะมันเป็นการบอกเล่าเปิดเผย เ, เรื่องราวบางเรื่องที่กลายมาเป็นความน่ามหัศจรรย์ที่มีความเชื่อแบบนี้และมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่จริงๆในโลกใบนี้อาจารย์พอจําได้ไหมคะอันนี้หนูยังไม่ได้อ่านแอบถามก่อนว่าท่านเกิดมาในครอบครวัวครอบครวัวทีออ่มีลักษณะยังไงครับพ่อ พ่อของท่านเป็นโยคยีมาก่อนหรือเปล่าอ๋อไมไม่เลยครับแต่จริงๆพ่อของท่านก็ไม่ปรารถนาจะให้ท่านเป็นพ่อของท่านก็ปรารถนาท่านก็เหมือนค่านิยมในสมัยนั้นของอินเดียก็คือปรารถนาลูกได้เข้าไปเรียนหนังสื อ, อด้วยหวังว่าเมอเรียนจบแล้วจะได้รับราชการมีเงินเดือนมีหน้าที่ตําแหน่งการงานแต่แต่ชีวิตของท่านมีลิขิตเหมือนกับมีอะไรอยู่ล้วเหมือนอารมณ์ประมาณ born to be ใช่ใช่ใชครับท่านจึงมีสิ่งที่มันเป็นความหมายที่แปลกครอบครองท่านคุณพ่ อ, อ, ท, พ อ, อท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ท่านมาเป็นเช่นนี้ มีความฝันที่อยากให้ท่านเนี่ยได้เรียนหนังสือให้จบถ้าบ้านเราก็คือเรียนให้จบมัธยมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อกลับออกมาจบออกมาก็ทำหน้าที่การงานท่านก็เรียนอย่างนั้นไปแม้จะไม่เต็มใจเรียนท่านก็สามารถเรียนไปได้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ท่านเรียนนะครับท่านก็มีเรื่องเล่าของท่านว่าท่านเองก็ไม่ไเต็มใจจะเรียนนักหนาไม่ค่อยอ่ า, หานหนังสือ แต่ว่าก็สามารถเรียนไปได้และบางครั้งก็ถือมันก็เป็นปฏิหารเช่นจะเตรียมตัวสอบแล้วท่านยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายเมื่อท่านเปิดหนังสือขึ้นมาหนึ่งหน้าก่อนจะเข้าห้องสอบปรากฏว่าหน้าแล้วออก็้อสอบเลยประมาณนี้เพราะว่าเพราะท่านมีมีความมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นภาระหน้าที่ของท่านต้องเรียนหนังสือให้จบตามที่คุณพ่อและครอบครัวปรารถนาเพื่อที่จะไปทำหน้าที่เพื่อท่านจะได้ไปบสถเพื่อท่านจะได้ไปทําหน้าที่อะไรของท่านต่อไปเพราะนี่เป็นความฝันของท่าน คนที่เป็นโยคยีเนี่ยจะต้องเกิดในวร น, นพระรามเท่านั้นหรือเปล่าคะาไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นคือจริงๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตามคติของลทัทธิต่างๆที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะเป็นนักบวชเนี่ยจะต้องเป็นคน ท, ที่อยู่ในวร น, นพระรา ม, มแต่พอมาถึงนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะครับมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกผูกขาดโดยพระรามแล้วเพราะฉะนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าตรัสแสดงเรื่องใดๆและเวลาเอ่ยถึงนักบวช พระพุทธเจ้าตั้งแต่คำว่าสมณะและพราหมณ์สมณะและพราหมเหล่าใดบ้างเนี่ยนะครับความหมายก็คือมันมีสมณะและมีพราหม์คําว่าสมณะคือกลุ่มนักบวชที่ไม่จําเป็นต้องเป็นพราหมณ์แล้วเป็นใครก็ได้พระพุทธเจ้าของเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นสมณะแต่จริงๆแล้วพระสมณะโคดมออืเพราะท่านไม่ได้มาจากวันณัพราหม์ท่านเป็นวันนักสัตว์ทีนี้ในกรณีเช่นที่ว่าเนี่ยต่อมาก็เลยกลายมาเป็นความหมายที่กลายมาเป็นว่าพราหมไม่ได้ผูกขาดหน้าที่ในการที่จะแสวงหาความรู้แบบนี้แล้วใครก็ได้ ในกรณีนี้ต่อมาเมื่อลัทธิพวกโยคีพวกนี้ไม่จะเป็นพราหม์ใครก็ได้ครับอ๋อเหรอคะวานนากษัตริก็ได้วานณาสูตรอันนอะไรก็ได้ครับยิ่งในพระพุทธศาสนายิ่งเปิดโอกาสใหญ่เลยไม่ว่าใครมาจากไหนจะมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็จะถูกลบสิ่งที่เป็นวรรณะออกไปเลยแต่ของฮินดูนี่เขาไม่ได้ลบใช่ไหมอาจารย์เขาไม่ลบแต่ก็ไม่ได้มีความขลองศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่ว่าต้องเป็นพราหมณ์เท่านั้นที่สําคัญคือลัทธิโยคีหรือพวกโยคะพวกนี้ไม่ได้สังกัดในความหมายที่ต้องเป็นประจําอยู่ในเทวไล ท่านมีสํานักท่านมีวิธีการท่านมีชุดความรู้ที่อธิบายอยู่ในปัจจุบันด้วยตัวของท่านเองซึ่งตรงนี้ต้องแยกออกให้ขาดนะครับว่าจากสิ่งที่มันเป็นความหมายคือเทวาลัยในวัดของอินดูเทวาลัยก็คือผู้ประกอบพิธีกรรมในเทวาลัยนั้นบุคคลผู้ประกอบพิธีกรรมแบบเนี้ต้องเป็นพราหม์โอเคนั่นหนูนึกออกแล้วว่าถ้าเป็นพราหมณ์ในความรู้สึกนี้คือพรามณ์นี่เป็นผู้ที่ติดต่อกับพระเจ้าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสื่อกลางแล้วก็คอยทําหน้าที่ดาเนินพิธีกรรมคนอื่น ค, คือคำว่าในในวัดเราต้องมีบัณฑิตบัณฑิตนี่ถูกบังคับเลยว่าต้องมาจากวันนพรามพรามวันนาพรามทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นบัณฑิตแต่บัณฑิตทุกคนจะเป็นพราม เหมือนกับว่าโยคีก็ไม่ได้ห ม, มายความว่าจะต้องเป็นพรามไม่ได้หมายมความว่าจะต้องประกอบพิธีกรรมอะไรได้บุคคลเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและไม่สนใจพิธีกรรมด้วยเลยบางทีแต่สนใจเรื่องความรู้เช่นเดียวกับพราหมก็ไม่ได้หมายความว่าพราหมณ์จะต้องเป็นโยคีหรือว่าสนใจเรื่องของการหลุกพลเขาก็มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมไปแต่พราหมณ์อันนั้นนี่จะต้องมาจากตระกูลพราหมณ์ต้องมาจากวันน้าพรามผู้ที่ทําพิธีกรรมผู้ที่ทำคือผู้ที่ทําหน้าที่เขาเรียกเป็นบัณฑิตในเทวไลบุคคลที่เป็นบัณฑิตในเทวไล จะมาจากวันณพรามหมณ์แต่คนที่เป็นวันณพรามอาจจะไม่ใช่มาเป็นบัณฑิตทาําหน้าที่อะไรอาชีพอะไรก็ได้ ก, ไดก็ได้ครับค่ะคแล้วท่านเนี่ยพราะท่านท่านเรียนจบแล้วท่านก็ออกบวชเลยละ่ะคะท่านก็ไปพบครูขอบวชกับครูของท่านแหละทีนี้หมายความว่าความคิดที่จะบวชที่จะเป็นโยคีเนี่ยมีมีอยู่ในใจของท่านต<ม>ั้งแต่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเพราะท่านได้ได้ประสบการณ์บางอย่างซึ่งแปลก และประสบการณ์บางอย่างนี่ท่านแปลกคือท่านหนีพ่อหรือหนีโรงเรียนเพื่อจะไปที่ภูเขาฮิมาลัยตั้งแต่ท่านอยู่ในวัยเป็นนักเรียน หมายความว่าหนีไปแบบถ้าเป็นบ้านเราคือเด็กเกเรหนีออกจากบ้านแต่ว่าเซนซิสเนี่ไปเที่ยวผับไปเที่ยวบาร์กลับหนีไปไปภูเขาไปภูเขาเพื่อจะไปปําเพ็ญตนเป็นพบกับบุคคลตั้ ง, งแต่อายุเท่าไหร่อาจารย์จำได้ไหมคะพบจะาอายุที่เป็นตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่ประมาณก่อนวัยรุ่นแต่ก่อนวัยรุ่น<ห>คือจะท่องอยู่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นอะไรเงี้ยนะเราจะเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะประมาณสัก1 2บสประมาณนั้นแล้วท่านก็ไปพบบุคคลที่ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ บุคคลเหล่านั้นนะครับเป็นบุคคลบางคนก็เป็นบุคคลในเรื่องเล่าที่ไม่มีตัวตนจริงที่สามารถพิสูจน์แต่แต่ท่านได้พบบุคคลเช่นนั้นบุคคลเช่นท่้นถึงมาปรากฏแล้วก็มาแสดงให้ท่านรู้ถึงความหมายอะไรบางอย่างแล้วก็กลายมาเป็นความเชื่อของท่านมันเป็นบทพิสูจน์อะไรบางอย่างเช่นเมื่อท่านไปที่เมืองพรารณสีไปที่ท่านา้ําท่านได้พบกับเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆซึ่งต้องไปอ่านแล้วจะพบว่ามันมีปฏิหาริย์คล้ายๆเหมือนกับเราอ่านชีวประวัติของหลวงปู่ที่บ้านเรา ว่าท่านไปพบอะไรเป็นอย่างไงจึงทําให้ท่านเกิดความสนใจชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะมาเป็นนักบวชก็เป็นชีวิตในวัยเด็กที่สนุกสุขสนุนไปตามประสาของท่านครอบครัวของท่านนี่เป็นครอบครัวแบบไหนคะยากจนไม่ถึงยากเป็นครอบครัวชนชั้นกลางปกติของชาวอินเดียไม่ได้มีความทุกข์บีบขั้นอะไรไม่ได้มีความทุกข์บีบคั้นเป็นความชอบครอบครัวชนชั้นกลางที่มีความรู้ประกอบอาชีพตามปกติและก็มีความใฝ่ฝันตามปกติที่จะให้ลูกชายซึ่งเป็นความหมาของครอบครัวได้เรียนหนังสือจบ แล้วก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวต่อไปท่านก็อยู่ในฝ่าไมายนี้พี่ของท่านก็ปฏิบัติมาเป็นอย่างนี้ท่านเรียนจบทางด้านอะไรคะทางด้านศิลปศาสตร์ในวิทยาลัยซึ่งในสมัยนั้นก็คือท่านเรียนจบธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้เป็นคนเรียนซื้อเก่งมากมายนักหนาแต่ก็เรียนจบมาได้แล้วเมื่อเพราะว่าเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีความสําเร็จก็คือต้องเริ่มสําเร็จการศึกษาก่อนแล้วท่านได้มีโอกาสทํางานไหมคะท่านไม่ได้ทํางานเป็นกิจฉลท่านเริ่มต้นที่จะทํางานแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้ทํางานอะไรที่เป็นเรื่อองงกาารนนพตจบ พ่อก็หวังให้ลูกได้ทำงานมันบ้านเราเนี่ยครับเรียนจบเป็นบันเดียรเป็นไปตามขั้นตอนเป็นขั้นตอนแต่ท่านก็สนใจมาในทางศาสนาและที่สาคัญท่านได้พบบุคคลที่จะเป็นครูของท่านแล้วท่านก็มีความปรารถนาที่จะขอบวชเป็นนักบวชในลทัทธิศาสนาที่ท่านนับถืออยู่แล้วท่านมีครอบครัวไหมครับไม่มีครับ ไม่มีมีแฟนมีคนรัทไม่มีท่านไม่เคยกล่าวถึงเรื่องเหล่า<ะ>นี้เลยอ่าจิตของไไท่านฝักไฝ่ไปในํำนองคือเหมือนกับว่าพอตั้งแต่จําความได้พอเริ่มที่จะโตจิตก็มุ่งมาทา ง, มงมาด้านานี้เลยอ่าท่านจะเล่าเรื่องในวัยเด็กนะครับเรื่องราวต่างๆเลยก็เหมือนทั่วไปในวัยเด็กก็เล่าถึงความสัมพันธ์กับแม่ความสัมพันธ์กับอะไรเนี่ยครับ แต่สุดท้ายเรื่องราวทางดทั้งปรงนั้นก็สูกเล่าในความหมายว่ามันเหมือนกับมีสิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกปรารถนาจะเป็นนักบวช ด, ด้วยความเชื่อในความหมายที่มันกลายมาเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณว่าท่านจะต้องมีภารกิจมีหน้าที่ เรื่องราวของท่านที่ท่านเล่าเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วก็จะสนุกไปด้วยยิ่งถ้าใครซึ่งเป็นคนไทยที่สนใจเรื่องอินเดียอยู่แล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> ก็สามารถอ่านได้อย่างสนุกสนานเพราะว่าฉากเรื่องราวเนี่ยเป็นฉากที่เราคุ้นชินเป็นอย่างดีเช <c oughs> ่นพูดถึงเมืองพาราณสีพูดถึงภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราซึ่งเป็นชาวไทยจํานวนหนึ่งนะครับก็มีความคุ้นชินกับฉากแบบนี้อยู่แล้วอืมค่ะนอกจากความอ่าความสนุกสนานจากอิทธิริศปฏิหารที่คนไทยเราน่าจะคุ้นเคยเนี่ยนะคะ สาระสำคัญของเรื่องนี้ที่เราจะได้ประโยชน์นี่อาจารย์คิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะมันเป็นท่าทีที่แฝงเรนอยู่ทุกๆข้อความทุกๆเรื่องเล่าท่าทีที่มีความหมายมีความเชื่อแบบอินเดียเนี่ยครับว่าเราแต่ละคนต่างก็มีเส้นทางของเราที่ถูกกาหนดไว้ถ้าจะพูดเหมือ น, น, นพรหมลิขิตอย่างนั้นหครับอาจารย์พรหมลิขิตหรือเป็นวิบากกรรมที่เราแต่ละคนต่างต้องมีภารกิจ ซึ่ความหมายเช่นที่ว่านี้เป็นความหมายซึ่งผมเข้าใจว่าเราซึ่งเป็นพุทธศาสนาชนเราก็มีความเชื่อเราก็มีความเชื่อแบบนี้แต่เ ร, เรามีความเชื่อว่าเรามีกรรมใหม่ด้วยใช่นั่นเป็นความสอนในพระพุทธศาสนาแต่ดูเหมือนว่าทางฮินดูนี่เขาจะเชื่อมากกว่าเราเชื่อมากกว่าเราคุณมีหน้าที่ใช่ใช่และที่สําคัญเขามีความเชื่อถึงเรื่องการบรรลุสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าและสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าหรือสภาวะที่เป็นเทพนะผมใช้คำว่าเป็นเทพก็ได้เพราะพวกเราเองอาจจะฟังและเข้าใจได้ดีกว่าคือมีเทพ แะเทพเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับเราเราจึงมีความสามารถที่จะสื่อสารกับเทพได้อย่างนี้อย่างท่านท่านปรมาหังสาเนี่ยอย่างนี้ท่านก็เท่ากับว่าท่านก็บูชาเทพเหมือนกระชายพินดูบูชาใช่พระศิวะพระนารายณ์พระพรหมท่านก็จะมีความเชื่อมต่นทนวา<อ>เชื่อมค<บ> <connect S 1> นเนคเชื่อมต่อกันใช่<ๆ>ใช่ใช่่นทรพอเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราจะพบว่าความสามารถเชื่อมโยงกับเทพองค์ต่างๆเนี่ย เป็นเรื่องราวที่ปรากฏแฝงเรนเมื่อกี้ที่คุณทศมีถามว่าแล้วเราจะได้อะไรผมก็ใจว่าเราจะได้สิ่งที่มันเป็นท่าทีความหมายของแบบฮินดูที่มีความเชื่อว่าตัวเองนะครับเกิดมาบนโลกใบ น, นี้ในความหมายซึ่งมีภารกิจและที่สําคัญเรามีความสามารถที่จะสื่อสารเชื่อมโยงกับสภาวะทึ่งเป็นเทพได้อย่างคนไทยตอนเนี้เราก็นับถือเทพ น, นะคะอาจารย์รเรานับถือหมดแหละแต่ว่าเราจะนับถือในแง่ของการ อนวอนขอให้ท่านช่วยแล้วเราก็จะมีความเชื่อมีข้อมูลชุดหนึ่งว่าเทพวงนี้เด่นทางด้านนี้เทพวงนี้เด่นทางด้านนี้อย่างเช่นเพื่อนมีเนี่ยก็จะอธิบายว่าเนี่ยนะอย่างถ้าบูชาพระอุมาเนี่ยนะถ้าสมมติจะเป็นศัตรูอะไรกับใครนะต้องทานพลังเยอะๆอะไรนี้นะต้องบูชาพระอุมาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมีความสุขเรื่องของความรักครอบครัวอันนี้ก็ต้องเทพหวานๆอย่างเช่นพระลักษมีอะไรทํานองนี้ค่ะอันนี้คือชุดความรู้แต่ท่าทีของ อย่างโยคีเนี่ยเวลาที่เขาบูชาเทพเนี่ยเขาบูชาแบบในลักษณะไหนยังไงก็จะมองเหมือนเหมือนเราไหมครับไม่ไม่ครับของเรานี่เป็นชาวบ้านชาวบ้านมากของเราเป็นมองเป็นรูปธรรมอะว่าเหมือนกับเป็นเทวดาคื อ, อพวกเราถ้าเราจะเรียบเทียบเคียงเนี่ยนะ บ้านเราที่เราเชื่อเรื่องว่าเทพองค์นั้นบูชาแล้วจะรับผลในนั้นนเป็นนั่นเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านทางด้านนี้จะช่วยเราได้ในแง่นี้แต่ในกรณีของท่านผู้นี้เป็นเหมือนกับท่านเป็นบุคคลอีกนักบวชพอเป็นนักบวชปุ๊บไอความหมายของเทพที่จะสัมพันธ์มันมีติดด้านจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่ใจปรารถนาแต่มันเป็นการเปิดเผยที่ทาให้ท่านรู้ว่าท่านจะต้องทํากิจอะไรทําหน้าที่อย่างไรท่านจะสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้โดยวิธีไหนอย่างไร เราท่านไปพบใครหรือท่านมีอะไรซึ่งท่านจะสามารถเชื่อมโยงได้มันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆเหมือนกับเป็นพระซึ่งต่างจากเวลาเรานถึงท่าก็อาจจะเชื่อเทพแต่ว่าพระที่เชื่อเทพจะไม่มาทํากิจในความหมายว่าไปบวงสรวงคอยตัวเองประสบความสำเร็จสุรกิจ์เชื่อคนละอย่างเชื่อคนละอย่างทีนี้รูปแบบความเชื่อแบบนี้ครับเป็นรูปแบบความเชื่อที่ทําให้เราเห็นมิติของความหมายของเทพ ในคติความเชื่อของชาวฮินดูและผมเข้า็จว่าคนไทยเองแม้จะเป็นพุทธศาสานิกชน<ฆ>แต่ก็มีความคุ้นชินกับรูปแบบความเชื่อบาพินดูจนกระทั่งบางครั้งเราก็ยังสงสัยว่าคนไทยที่ทําแบบนี้มีความรู้เรื่องพุทธกับฮินดูจนที่กระังฮินดูมากกว่าด้วยซ้าไป<ฆ>ผมเห็นหลายกรณีนะครับที่มรติคุณรัศมีเล่าถึงเรารู้จักองค์เทพของฮินดูบางทีมาก ไม่ใช่น้อยเลยแล้วมากละเอียดด้วยนะครับมากละเอียดจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเทพองค์ไหนจะบูชาในวาระโอกาสเช่นไรจะบูชาท่านเพื่อผลให้เกิดนเป็นอย่างไรทางด้านใดใช่จนกระทั่งกลายมาเป็นความหมายคนอินเดียยังงงเลยนะครับว่าทําไมที่ประเทศไทยเทพจริงเยอะจนกระทั่งมีการแซวกันบอกว่าอยู่ตําสถานที่สําคัญๆอยู่ในเมืองเรื่องเนื่องจากว่าคนอินเดียไม่เคารพเทพเลยต้องมาหากินมาหรือมาทำหน้าที่ที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยนี่เราล่าตลกตลกกันแต่คนอินเดียที่ผมรู้จักอะเขาบอกว่าเมื่อเขาไปสู่ประเทศไทย เช่นประเทศอินเดียเราจะไม่มีพระพรห ม, มนะครับเพราะในความเชื่อของชาวอินเดียพระพรหมไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมีวัดมีเทวาลัยพระพรหมมีหน้าที่จะสร้างโลกสร้างมนศศศศุษย์เสร็จท่านก็ทําหน้าที่จบหน้าที่ที่จะดูแลโลกของพระวิษณุพระนารายณ์อะไรก็ว่านไปใช่ไหมครับแต่บ้านเรานี่มีศาลพระพรหมเต็มเลยนะครับแล้วก็อยู่กลางเมืองด้วยนะคะอยกธุรกิจด้วยใช่ใช่ใชนี้เป็นความแปลกของคนอินเดียเมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทย<ๆ>ว่าประเทศไทยมีวัดหรือมีศาลของพระพรหมเอ๊ะ แปลกนะฮะละมานี่เขารู้สึกแปลกมากๆเลยนะครับเพราะในคติของชาวอินเดียเขาจะไม่สร้างเทวะไรหรือวัดเป็นของร พ, รพระพรหมและศาลพระพรหมนี้ก็อยู่ที่โรงแรมเอราวัณ <c oughs> ซึ่งช้างเอราวัณเนี่ย <c oughs> เป็นช้างทรงของพระอิน์ของพระอินท <c oughs> เราก็เลยคือเนื่องจากนึกถึงภาพนะครับเราเหมือนกับเราไม่มีไวยากรอะ <c oughs> แต่ของอินเดียเขามีวยากรณ์ในการกําหนดก็มีการเชื่อมโยงเชื่อมโยงว่าเทพแร่ะองค์มีหน้าที่ทําอะไรเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเทพ ระดับสูงเช่นพระพรหมนะครับพระศิวะพระนารายจะต้องมีลักษณะอย่างไรพระพรหมไม่มีวัดแต่ถ้าเป็นพระศิวะวัดของพระศิวะจะต้องสร้างในความหมายอย่างไรวัดของพระนารายต้องสร้างในความหมายอย่างไรส่วนประเทพต่ำๆลงมาเช่นพระพิฆเนศซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะหรือแม้กระทั่งเช่นฮันุมาหอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าในประเทศอินเดียนั้นเวลาเราพูดถึงวัดที่เยอะที่สุดเนี่ยนะครับคือวัดของฮันุมาห์เพราะว่าวัดฮันุมานสร้างตรงไหนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมีสิเ ง, งื่อนไขน้อยเหรอล่ะเงื่อนไขน้อยอแต่ถ้าใครจะสร้างวัดของพระศิวะโอ้โหเรื่องเงื่อนไขยเยอะมากเยอะมากจนกระทั่งไม่จะสามารถจะสร้างได้โดยง่ายต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีจำเลที่ถูกกาหนดหรือวัดของพระนารายพระนารายโอเคไม่องค์พระนารายไม่ใช่มีความหมายมากแล้วเพราะว่าท่านอวตารมาเป็นปางต่างๆแล้วอาจะมีวัดของพระรามวัดของพระกฤษณะอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เทพที่มี อคนสร้างวัดให้มากที่คือฮันุูมานแต่เทพที่คนใกล้ชิดที่สุดก็คือพระพิกเนศพระท่านมีความเป็นกันเองไม่ถือสาว่าเราจะปฏิบัติต่อท่านอย่างไรท่านก็ไม่ถือเป็นความผิดอเพราะฉะนั้นนึกถึงเทพอื่นคุณรัศมีจะเห็นว่าพระพิฆเนศมีปางอะไรก็ได้อไม่จํากัดปัจจุบันเราเหอะท่านอาจจะมีปางสมาร์ทโฟนหรือปางเล่นคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ครับต่อไปมีแล้วเหรอคะเอามีครับเราจึงเรห็นรูปพระพิกเนศนั่ง จะให้้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะในความหมายของชาวอินเดียท่านเป็นเทพใจดีท่าน<ต>เป็นเทพใจดีมีความเป็นกันเองอถ้าเป็นภาษาหน่อยท่านมีอารมณ์ดีที่เล่นไม่ถือสาอเพราะาว่าเทพเนี่ยถ้าเป็นองค์อื่นอย่างเช่นเพื่อนมีก็เหมือนกันบอกว่าถ้าจะบูชาพระอุมาเนี่ยต้องจริงจังนะเธอใ ช, ใชจะมาเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไเพราะว่าท่านให้คุณแต่ขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ดุท่านก็เหมือนแม่นะครับถ้าเราปฏิบัติผิดก็เหมือนแม่ก็คือดุหรือตีเราได้เลยลงโทษได้ใช่อ่ อันี้พระอุปและแม่อุมาก็เหมือนแม่เพรา ะ, ะนั้นเราต้องทําตัวให้ดีก็ทําทตัวดีแม่ก็จะรักและให้รางวัลจะต้องทาตัวเกเรแม่ก็จะลงโทษแม่ก็จะลงโทษอ่ค่ะแต่ถ้าพระพิคเนต์นี่จะเป็นเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกแบบหนึ่ ง, บบงท่านจะมีความเป็นกันเองนะครับและที่สําคัญในความเชื่อของชาวอินดูถือว่าอัญเชิญท่านมาแล้วก็จะประสบความสําเร็จในกิจกรรมต่างๆที่เราปรารถนาจะทําด้วยความรู้สึกที่ดีอืมค่ะแต่ฟังอย่างนี้แล้วนี่ ก็เห็นร่องรอยทางความคิดนะคะของทางของทางอินเดียที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเยอะแตว่าผมก็ใจ่ว่าเยอะจนกระทั่งจนบางทีเราไม่ได้แยกเลยใช่และที่สําคัญคือเรามีความเป็นอิสระในการสร้างความสัมพันธ์กับเทพมากโดยไม่มีไวยากรณ์คนอินเดียยังมีไวยากรณ์โดยไม่มีพรมแดนด้วยนะคะพรมแดนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่วันในสังคมไทยเราเราไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่แบ่งไม่แบ่งเขาแบ่งเราและเราสามารถที่จะสามารถมีความสัมพันธ์กับเทพได้โดยรู้สึกเป็นปกติ ไม่ได้มีปัญหาว่าเราเป็นพุทธเราจะบูชาเทพได้ไมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเบิกว่างละมันเหมือนกับว่ามีเพื่อนเหมือนกันเขาก็บอกว่าเหมือนกับท่านเป็นผู้ใหญ่นี่เหมือนกับเราบูชาผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ใจของเคารพนับถือก็เป็นท่าทีที่ดีนะผมมองในแง่ของความหมายของผมเป็นความพิเศษของคนไทยนะเป็นความพิเศษของคนไทยที่ทําให้สิ่งที่เป็นทิพย์หรือเป็นเทพเนี่ยนะครับเพราะในความหมายที่เป็นจริงสภาวะที่เป็นทิพย์ปรากฏเป็นเทพเนี่ยมันเป็นสภาวะในความหมายที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกมั่นคง มีความรู้สึกที่ดีกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราได้เพราะในความหมายเดิมของชาวอินดูนะเทพเก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเทพในความหมายเดิมของฮินดูถ้าในแง่ของทางด้านนามธรรมาเนี่ย ค, คือสภาวะธรรมชาติสภาวะธรรมชาติที่เกื้อหนุนจุนเจือเราเป็นสภาวะธรรมชาติทางด้านใดด้านหนึ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในอินเดียตื่นขึ้นมาตอนเช้า เมื่อเราตื่นลุกรู้สึกตัวตอนเช้ายามรุ่งอรุณเมื่อเราเห็นแสงสีทองยามเช้าเราก็สวดสรรเสริญอุตสาเทวี TV ซึ่งเป็นเทพผู้หญิงเป็นธิดาของทองฟ้าผู้นำความงดงามมามอบให้กับเรา <c oughs> เมื่อเห็นแสงอาทิตย์เราก็จะขอบคุณหรือบูชาพระสุริยเทพที่นําแสงสว่างนำความอบอ <c oughs> ุ่นนำความอุดมสมบูรณ์มาให้เรา ถ้าเรามีสายฝนโปรยปลายมาเราก็บูชาพราะวรุณเทพมเมื่อเราไปอะไรทั้งหมดครับที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณเราสามารถทิ<ช>้งธรรมชา ต, รรชาติเพราะเทพก็คือธรรมชาติซึ่งเป็นคุลเกื้อนหนุนให้เรามีชีวิตที่งอกงามไพ่บุญเพราะฉนนั้ในความหมายนี้ในตอนตอน้ตนๆเทพทั้งหมดจึงเป็นชื่อของธรรมชาติในตอนต้นเนี่ยนะครับเทพทั้งที่เป็นเทพบนฟ้าที่เป็นเทพบีดรและเทพอยู่บนดินจึงเป็นเทพมารดอนเมื่อมีเทพบีดอและเทพมารดอนก็เลยเกิดเทพต่างๆขึ้นอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอินเดียแต่เรื่องเทพก็จะมีความสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อสังคมเรามีความสลับซับซ้อนแต่ในอนดีตเรื่องเทพเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติที่มนุษย์กับธรรมชาติจะต้องมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีความเคารพธรรมชาติยำเกรงธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของศาสนาฮินดูครับอืมค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องท่าทีของเทพอาจารย์เชื่อเรื่องเทพ ผมเชื่อเรงเทพในความหมายของผมเอกำลังจะถามว่าแล้วความหมายของอาจารย์เป็นความหมายไหนคะผมเชื่อว่าเราสามารถอัญเชิญเทพไปมาสถิตในตัวเราได้ผมเชื่อเช่นนะครับผมนับถือพระแม่สารสวรรตีพระแม่สารสวรตีเป็นศักดิ์ตีของพระพรหมค่ะผมบูชาท่านทุกวันในความหมายของผมคือผมบอกว่าขอบพระคุณพระแม่สารสวรรตีที่ไม่ทอดทิ้งผมไปท่านสถิตอยู่ในเลือในตัวผมมาตั้งแต่ยามเยาว์วัย แม่ยามที่ผมชราท่านก็สถิตประทับอยู่ในเนื้อในตัวผมความหมายของผมคืออะไรรู้ไหมครับความหมายของผมตั้งแต่ยามเยาว์วผมใยรู้ท่านเป็นเทพแห่งกรารเรียนรู้รรใช่แห่งการเรียนรู้เป็นเทพแห่งการเรียนรู้ผมยกตัวอย่า ง, ง น, น, <c oughs> นั้นี <c oughs> พน้พระแม่สระปฏิจริงไม่ใช่องค์เทพที่อยู่ที่อื่นแต่อยู่ในใจผมในใจผมก็คือความหมายถึงว่าเป็นสภาวะเป็นสภาวะของความหมายในชีวิตที่เรามีจิตใจที่ใยรู้และสภาวะแบบนี้เป็นสภาวะที่สายผมรู้สึกได้ซึ่งความหมายของความเป็นเทพ ความเป็นเทพซึ่งมีสภาวะทำให้เรามีพลังอืเป็นพลังเป็นพลังที่เราจะไม่ย่อท้อและไม่ยอมจำ น, นันผมจึงสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างมากมายไม่มีข้อกําหนดไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นอุปสรรคขัดขวางผมมากเพียงใดผมก็จะไม่ย่อท้อนี่คือความรู้สึกที่ทําให้ผมรู้สึ ก, กได้ว่าพระแม่ ส, สัตว์สวัสท่านสถิตอยู่ในตัวผมผมยกตัวอย่างตรงนี้ก็เพื่อจะบอกเพียงแค่ว่าคําว่าเทพที่แท้จริงคือสภาวะอันเป็นคุณสภาวะอันเป็นทิพย์ที่อยู่ในตัวของคนทุกๆคน คำถามนนคือเราจ ะ, าจะอัญเชิญท่านให้ปลุกท่านให้ตื่นขึ้นมาในความหมายอย่างไรอันนี้จะเป็นความหมายดั้งเดิมไหมคะอาจารย์ที่คนโบราณเนี่ยเขต้องการที่จะให้เรานี่มีสภาวะที่ดีงามในแต่ละด้า น, นใช่ใชสถิตยอยู่ในตัวของเราเป็นสภาวะดั้งเดิมเพราะฉะนั้นในอินเดียจึงมีเทพมากมายเพราะนั้นเวลาถามว่าทำไมคนอินเดียจึงบูชาหานรูมานตัวอย่างนี้นะเพราะอนุมานคือกองกําลังที่ซื่อสัตย์เเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในสังคมเราต้องมีความซื่อสัตย์ เราต้องมีความพักดีนะครับความรู้สึกแบบนี้สังคมอินเดียจรงทําให้เกิดวัฒนธรรนเต็มไปหมดเพราะทุกครั้งที่เราเข้าไปสู่วัฒนุมามก็คือสํานึกรู้ได้ถึงความหมายของชีวิตที่กิจที่เราทําไม่จะพูดสูงหรือต่ําต้อยแต่เราจะทำด้วยความรู้สึกที่มั่นคงพระเจ้าเราเมาในแง่วัฒนธรรมแค่เป็นทหารค่ะ ไม่ได้มีความเป็นใหญ่เป็นโตแต่เพราะมีสหาสเหล่านี้จึงทําให้การปฏิบัติหรือการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจึงเกิดขึ้นในสังคมได้เพราะความหมายเช่นที่ว่านี่เองทันทีที่มีใครเคารพฮันรูมานเขาจะต้องมีความรู้สึกได้ว่าเขาจะมีความซื่อสัตว์ชื่อตรงอ hmm. และสิ่งเหล่านี้ครับผมก็ได้ว่าเป็นความหมายที่สําคัญแต่เนื่องจากว่านะครับคติความเชื่อแบบนี้มันถูกพัฒนามาในสังคมตามลําดับและการพัฒนาแบบเนี้พอเราเข้ามาสู่สังคมบริโภคสังคมที่เราสแสวงหาความหมายเชิงวัตถมุมากขึ้น เทพก็ถูกแปลความมาเป็นเพียงแค่ช่องทางของการอ้อนวอนบวงสวงเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกมาแต่ความหมายของเทพที่แท้จริงเป็นเรื่องภายในใจของเราและความเป็นความเป็นในใจเราที่ว่านี่ครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าทำอย่างให้เทพมาสถิตในตัวเราเพราะเทพคือธรรมชาติที่มีความเทพแปล ว, ว่าแสงสว่างนะครับแปล ว, ว่าความเจิดจ้าความรุ่งโรจน์เพราะคำว่าเทพคำว่าเทพคำว่า ทิวาซึ่งแปลว่ากลางวันเนี่ยอันเดียวเป็นคําคําเดียวกันนะครับรากขับเดียวกันเลยครับคำเดียวกันครับคำว่าเทพคําว่าทิวาคําเดียวกันเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดในความหมายเนี่ยเมื่อเราพูดเทวาทิวาเทพทิพพวกนี้เป็นคำคำมีความหมายเดียวกันหมดเลยครับแต่เอามาใช้ในวาระโอกาสต่างกันเพราะเราพูดถึงเวลาที่สว่างเราจึงเรียกว่าทิวาเวลาเราพูดถึงสภาวะที่ทําให้เราเกิดพลังที่แสงสว่างเราจึงพูดว่าเทพ สภาวะที่มีความหมายเช่นที่ว่าเป็นทิพย์อยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยครับนี่เป็นภาษาที่เราใช้ภาษาของชาวอินเดียแต่ภาษาแบบนี้ครับในความหมายที่มัตสกีคุณน่าจะมีตา ม, มผมว่าขอรพเทไหมผมบอกผมขอรบอยู่เสมอเพราะผมขอรบสภาวะที่เป็นทิพย์ที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติและผมก็พยายามน้มนำมาสภาวะนั้นให้มาปรากฏอยู่ในตัวผม นึกถึงเรื่อง Star Wars เลยค่ะมีอะไรนะ May The Force be with you เป็นลักษณะแบบใช่ขอให้พลังขอให้พลังขอให้พลังแห่งเทพมาอยู่ในตัวเรามาสถิตอยู่ในตัวเรานะคะฟังอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าใจบริบทของสังคมอินเดียได้ดียิ่งขึ้นชีวิตของท่านปรามาหังสานี่ ถ้ากลับมาที่เรื่องของท่านนี่นะคะหลังจากที่ท่านไปไปอเมริกาแล้วเนี่ยชีวิตของท่านในอเมริกานี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะก็ท่านก็ทำหน้าที่เผยแพร่ mm hmm. สื่อสารกับชาวอเมริกันด้วยความคิดความเชื่อรูปแบบของอินดูก็คือท่านนําสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติโยคะท่านนาสิ่งที่ความเคารพในองค์เทพอะไรเงี้ยครับไปเผยแพร่จนกระทั่งว่าท่านถูกต่อต้านเลยบ้างไหมคะอ่าผมเข้าใจว่าท่านไม่ได้รับการต่อต้านเพราะท่านสามารถทําให้เกิดเปลีนความรู้สึก ท่านมีท่านไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนคนได้มานับถือศาสนายินดูคือหมายถึงว่าการมาศึกษาตรงนี้ก็ไม่จาเป็นว่าต้องเปลี่ยนศาสนาท่านสามารถพูดกับชาวคริสโดยความหมายของภาษาที่เป็นคริสศาสนิกชนได้ท่านถ้าต้องเป็นคนเก่งมากเลยนะคะผมเข้าใจว่านี้คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราคิดจะแปลหนังสือเล่มนี้มันจึงหนังสือไอ้ชุด ไอ้พระกวัตสกีตาคําำของท่านเป็นคําของพระคัมภีร์ไบเบิลหมดเลยวาพระท่านต้องการใช้คําเหล่านั้นเพื่อให้คนอเมริกันรู้สึกไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมไม่เป็นสิ่งแปลกแยกผมจึงเชื่อว่าถาท่านมาอยู่ที่ประเทศไทยท่านก็ใช้ใชคำในภาษาบิด็กในะาษาบีดกนีก่นเป็นความสามารถของท่านในการสื่อสารสิ่งที่เป็นสาระสําคัญให้กับประชาชนโดยใช้ภาษาและใช้วิธีการที่คนเหล่านั้นมีความคุ้คนชินอยู่แล้วท่านท่านจึงพูดในความหมายเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยครับก็คือสิ่งที่มันเป็นสากล คำว่าสากลก็คือหมายความว่าเราจะพูดด้วยภาษาเช่นไรแต่ก็ความหมายมันก็เป็นความหมายเดียวกัน น, นี่เป็น น, ะะนี่เป็นหลักการสําคัญของท่านเพราะท่านจึงไม่ได้รับการต่อต้านแต่รู้สึกเหมือนกับมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน <c oughs> นะครับและทำให้สิ่งที่เป็นอินเดียที่เข้าไปเริ่มปรากฏอยู่ในอเมริกานีครับเป็นการปรากฏที่มันทำให้รักษะไม่มีความแปลกแยก<ม>และทำให้เกิดความรู้สึกแล้ ว, ว่าสิ่งที่เป็นอินเดียที่เราเคยรู้สึกว่าแปลกแยกในความหมายของเขาเนะี่ยมันก็ไม่ได้แปลกแยกท่านจึงได้รับการยอมรับ และต่อมาบุคคลที่มาเป็นสิทธิ์ของท่านก็ยังมีความหมายที่ไม่ใช่เป็นคนแปลกแยกในสังคมของศาสนาความเชื่อที่มีอยู่เดิมก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นปกติซึ่งปัจจุบันในกิจกรรมขององค์กรของท่านก็เป็นกิจกรรมซึ่งทางานคล้ายๆเหมือนกับองค์กรทางศาสนาซึ่งไม่ได้แตกต่างจากเชิร์ตหรื อ, อจากไอกคณะนักบวชในในคริสตศาสนาสักเท่าไหร่ครับบ้านปลายชีวิตของท่านเป็นยังไงบ้างคะท่านเสียชีวิตโดยที่อายุก็ไม่ได้มากนักนะครับและท่านก็เสียชีวิตไปในความหมายที่นอนหลับก็เสียชีวิต แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญคล้ายๆเหมือนกับที่บ้านเรามีต่อหลวงปู่หรือหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เนื้อตัวท่านไม่ได้เน่ า, าแล้วก็กลายเป็นความมหัศจรรย์ของคนอเมริกันที่รู้สึกตื่นเต้นกับภาวะที่ท่านเมื่อท่านละสังขารไปแล้วร่างของท่านก็เป็นร่างที่ถูกบันทึกไว้ว่านะครับแม้กระทั่งแพทย์ทึ่ไม่ได้รับถือในตัวท่านก็บันทึกถึงความมหัศจรรย์ ของเนื้อตัวร่างกายของท่านถ้าปกติเมื่อคนเสียชีวิตจะมีภาวะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นไรแต่ท่านไม่ได้มีสภาวะที่เหมือนกับเป็นปกติธรรมดานี่เป็นเรื่องราวสุกบันทึกไว้จึงชีวิตช่วงสุดท้ายของท่านที่ท่านได้ละโลกนี้ไปในภาวะที่เหมือนกับถ้าบ้านเราก็เหมือนกับพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมชั้นสูงและก็ละสังขารไปในความหมายซึ่งทำมห้ศิษย์มีความปราบรื้มผมก็ใจว่าที่คนอเมริกันตื่นเต้นมาก ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าท่านเคยพูดสอนอะไรแต่เมื่อมาเห็นชีวิตท่านจบลงในความหมายเช่นที่ว่านี้จึงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ที่มีการกล่าวเล่าขานกันว่าท่านคือบุคคลที่มาจากอินเดียและมีสภาวะซึ่งเป็นทิพย์อยู่ในเนื้อในตัวท่านซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นที่ในกลุ่มจิตพูดคุยเหมือนกับที่เราเคารพหลวงพ่อที่ประเทศเราใช่ไหมครับแล้วแล้วเราก็มีความเชื่อว่าพอท่านละสังขารไปแล้วร่างกายของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะบารมีธรรมที่ท่านบำเพ็ญมา คตินี้ก็ไปปรากฏอยู่ในชีวิตของท่านปรมางรายโยคานันทะจึงทําให้ลูกศิษย์ของท่านมีความรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ที่ครูรู้หรือครูของเขามีปรากฏการณ์นี้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เลยยิ่งทําให้คําสอนของท่านเนี่ยเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอคนพบกับความมหัศจรรย์ตรงนี้ก็ย้อนกลับไปที่คําสอนของท่านท่านท่านละสังขารที่ที่ไหนคะที่อเมริกาครับใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตลอดจนกระทั่งจนกระทั่งจบชีวิตท่านเมื่อท่านเดินทางไปอเมริกา เมื่อไปอยู่จนกระทั่งมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหามาแล้วท่านกลับมาอินเดียอีกครั้งหนึ่งกลับมาเยี่ยมเยียนคาราวะบุคคลที่ท่านเคารพเป็นครูหรือกลับมาเยี่ยมญาติมิตรของท่านที่อยู่ที่อินเดียแล้วท่านก็กลับไปอเมริกาแล้วก็สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตที่อเมริกาครับท่านได้มีอธิบายไหมคะว่าทําไมท่านเลือกที่จะไปเผยแพร่ศาสนาท่านอธิบายในสืออัศประวัติเนี่ยว่าครูของท่านเนี่ยนะครับบอกให้ท่านไปทําสิ่งนี้ในความหมายว่าเป็นเวลาที่คนตะวันตก สมควรจะได้รับรู้สิ่งที่เป็นข่าวสาร oh. เป็นข่าวสารที่ประเสริฐจากอินเดียแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายแบบที่ว่านี้ก็เหมือนท่านท่านสื่อสารเหมือนกับจะบอกวนะ่าเป็นเป็นกิจและเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเดินทางไปสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับคนทางตะวันตกโดยเฉพาะที่อเมริกาและกิจอันนั้นนะครับเมื่อท่านทำสาเร็จท่านก็ละสังขารครัค่ะ อ, อ, อย่างกรณีที่พระ ปฏิบัติดปฏิบัติชอบหรือว่าท่านโยคีที่ว่าพอละสังขารไปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปอย่างเช่นเรื่องของกระดูกบางทีก็จะกลายเป็นเหมือนแก้วอะไรเงี้ยนะะอันนี้พุทธอันนี้ทางฮินดูทีนี้ถ้ามองในแง่ของธรรมชาติในแง่ของสภาวะเนี่ยจะมีคําอธิบายชุดไหนได้บ้างไหมคะอาจารย์ที่จะมาอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้ว่าเป็นเพราะสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาเกิด ไปทำปฏิกิริยาอะไรกับสภาวะธรรมชาติที่ทําให้เมื่อท่านตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนโดยทั่วไปถ้าโดยโครงสร้างผมเข้าใจ่มันความคิดที่เหมือนกันทั้งในส่วนที่เป็นวัตถุธาตุธรรมดาทั่วๆไปก็คือหมายความว่าถ้ามันมีสภาวะแห่งความเป็นธรรมชาติปกติของมันเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเน่าเปยเป็นธรรมดาปกาปิแต่หมายความว่าในสภาวะของมนุษย์ที่เราพูดถึงเรื่องจิตใจที่มีการฝึก ที่มีการฝึกเราจึงมีความเชื่อว่าพระภิกษุผู้บรรลุธรรมหรือฝึกจิตให้ปราดพลจะ ก, กิเลสมนทินแล้วเนี่ยครับเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วความสะอาดบริสุทธิ์นั้นก็ปรากฏอยู่ในเนื้อในตัวซึ่งเป็นกายภาพด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีปรากฏการณ์ในสังคมไทยที่เรามักจะมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเมื่อท่านละสังขารแล้วร่างของท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยจึงถูกเก็บไว้ให้เป็นหลักฐานยืนยัน หรือแม้กระทั่งบางท่านบางองค์แม้กระทั่งเอกไปเผาด้ยชาปนากิจแล้วกระดูกของท่านก็ยังมีลักษณะผลึกเป็นแก้วนี่เป็นปรากฏการณ์และผมก็จะปรากฏการณ์นี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สนองต่อความรู้สึกของเรานะครับว่าสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพเช่นที่ว่านี้ก็เป็นการยืนยันความหมายที่เราทําให้เกิดเป็นความรู้สึกดั่นจิตใจว่าท่านมีความสะอาดบริสุทธิ์เพราะวาความสะอาดบริสุทธิ์นี้จึงปรากฏอยู่ในมิติ ของความหมายเมรุและในศาสนาผมก็จะทุกศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเฉพาะพุทธศาสนาแสดงว่ามันต้องมีสภาวะที่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ปรากฏการในคริสต์ศาสนาก็มีเส้นต่างต่างใช่ไหมครับในศาสนาพุทธในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับผมก็จะว่ามีสิ่งนี้อยู่ปรากฏอยู่เป็นเรื่องเล่าให้สังคมนั้นๆที่นับถือศาสนานั้นๆมีปรากฏการนี้ให้เป็นเครื่อง หอเลี้ยงยืนยันความรู้สึกที่เขามีกับฟวามหมายซึ่งเป็นมิติทางด้านคําสอนในศาสนาอยู่ว่าเมื่อบุคคลคนหนึ่งแม้จะมีบาบมีบนทินในบอลต้นแต่เมื่อปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบเขาก็เปลี่ยนแปลงสภาวะที่เป็นบนทินนั้นให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ครับนี่เป็นสิ่งปกติที่มีอยู่ในศาสนาปรากฏอยู่ทั่วไปในทุกๆมุมของโลกนี้ครับแสดงว่าจะต้องเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่มีคําอธิบายเพียงแต่ว่าคนสมัยก่อนหรือว่าคนในสมัยเราเนี่ย เราไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมันนอกเหนือไปจากองค์ความรู้ในการที่จะอธิบายเราก็เลยบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่เป็นขั้นตอนของชีวิตที่ว่าถ้าคุณปฏิบัติไปถึงขั้นนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครคุณก็จะใช่ได้รับสภาวะนี้ซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นบริสุทธิ์แต่เนื่องจากว่าคนทั่วไปไม่ค่อยสามารถที่จะไปได้ถึงขั้นนั้นก็เลยดูเป็นเป็นเรื่องแปก ดูเป็นเรื่องแปลกใช่ก็เหมือนกับเวลาเรามีใครสักคนหนึ่งมีความสามารถพิเศษเราจะดูเป็นเรื่องแปลกเพราะคนทั่วไปทําไม่ได้แต่คนคนนี้ทําได้เราจึงบอกว่าแปลกแต่ความจริงๆมนุษย์แต่ละคนถ้าฝึกฝนกันอาจจะทําได้ทำแบบคนนั้นได้แต่บาเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกคนคนนั้นก็ฝึกเพราะนเวลาเราเห็นคนบางคนก็ฝึกอาจทาอะไรบางอย่างแต่เร้สึกตื่นเต้นมากที่เขาสามารถทําสิ่งนั้นได้คําถามก็คือคนนั้นทําได้อย่างไรก็เพราะเขาฝึก ปั que, ถ้าเราคนใดคนหนึ่งมีความประสงค์จะทําเช่นนั้นและฝึกเราก็สามารถทําได้นี่พูดถึงความสามารถทางกายภาพ <c oughs> และผมเข้าใจว่าความสามารถมิติด้านจิตใ จ, จก็คล้ายๆกันครับแต่ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยก็เป็นการยืนยันนะคะอาจารย์ <c oughs> ว่าในพลังของจิตนี้น่าจะมีความสําคัญมากเพราะว่าเมื่อมีการฝึกจิตอย่างดีปรากฏว่าจิตมีผลกระทบต่อรูปธรรมรูปธรรมร่างกายที่ตรงนี้ผมก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญว่าเมื่อเราฝึกจิตอย่างดีจิตนั้นก็มีผลกระทบ ในเชิงบวกกับสังกายมันเหมือนกับเซเวลาเราพูดถึงมีความปกพร่องทางกายก็มีผลกระทบทางจิตเหมือนกันเช่นคนเจ็บป่วยใช่ไหมครับสภาวะจิตก็ตกต่ำอ่อนแอเพราะฉะนั้นในความหมายตรงกันข้ามถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราให้เข้มแข็งมั่นคงมันก็มาเยียวยาสภาวะทางกายภาพได้เหมือนกันคือทั้งบวกทั้งลบต่างมีผลต่อกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สําคัญคือเราพูดถึงสภาวะจิตที่ทางบวกก็มีผลเยียวยาสิ่งที่เป็นกายภาพได้เพราะฉะนั้นในความหมายเช่นเดียวกันนี้นะครับมันจึงเป็นความหมายที่เป็นกัน อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกายใจที่เป็นมิติที่สำคัญซึ่งความเชื่อแบบอินเดียนะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือฮินดูต่างก็มีความเชื่อในโครงสร้างแบบนี้แล้วก็พยายามอธิบายปรากฏการณ์ชีวิตในปัจจุบันเช่นเราอธิบายเรื่องโครงสร้างของสุขภาพเราจึงพยายามจะอธิบายว่าแม้ยามเจ็บป่วยถ้ารัสษาจิตของเราให้ดี <c oughs> ก็จะมีผลเกื้อกูลต่อการฟื้นฟูกายภาพได้ ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญในความหมายหนึ่งเมื่อที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติโยคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งว่าทําไมโยคะจึงเริ่มต้นด้วยการฝึกอาสนะฝึกลมปราณใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายกลายมาเป็นว่าบรรดายโยคีที่ปฏิบัติโยคะจะได้ผลดีแล้วก็สามารถเยียวยาอาการเจ็บป่วยได้โดวยวิธีทางโยคะอเอ่ยอย่างนี้อย่างคนที่ฝึกโยคะเล่นโยคะนี่ก็น่าอ่านเหมือนกันนะคะอ๋อหน้าอ่านครับโดยเฉพาะคนที่เรียนโยคะหรือฝึกโยคะนอกจากอ่านไอ้ตัวอัตชีวประวัติ แล้วก็ไปอ่าน ง, งานเพราะสุด ท, ท้ายแล้วงานที่เรียกว่าตีความพระกวัตกีตของท่านก็คือเป็นความหมายของโยคะครับท่านจริงสอนวิธีปฏิบัติโยคะในความหมายที่เป็นความหมายที่ท่านอธิบายสิ่งที่มันเป็นเรื่องของพระวัต ก, กีตาท่านจริ ง, งพยายามตีความกลับม า, าทำไมเราต้องมามีอาสนะแบบนั้นแบบนี้คนที่ศึกษาเรื่องโยคะเมื่อ ก, กี้เราพูดกันถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือความรู้ชุดนี้เป็นความรู้ที่มีความหมายที่สัมพันธ์กันครับ อค่ะเล่มนี้นี่ก็มีจำหน่ายตามร้านหนังสือโดยทั่วไปไหมคะอาจารย์อัตชีวประวัติของโยคีประมะหังษาโยคานันทภผมเข้าใจว่าอาจจะมีน้อยเพราะหนังสือเล่มนี้วางแผงไว่นานมาก<อ>แล้หนูนึกออกแล้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จะถึงนี้ครับถ้าใครมีความสนใจนะครับจะหาซื้อในร้านหนังสือไม่ได้หนังสือ ทังอัตชีวประวัติของโยคีและพักวัตกีตานะครับจะมีจําหน่ายในงานนี้ในราคาผมก็จะราคาถูกมากอ่ะเพราะว่าเของเพชรไทยของเพชรไทยกับของเพชรไทยนี่เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะครับว่าเพชรไทยสํานักสายส่งเพชรไทยจะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือพักวัตกีตาชุดนี้นะครับวันไหนวันที่31มีนาคมเวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นที่ห้องมิตริ่งรูมหนึ่งครับ จะมีบุคคลสําคัญที่เป็นราชลอนอาวุโสคืออาจารย์คุณหมอประเวศวั ส, สีจะแสดงปฐาฐกถาพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับ<อ>แล้วก็จะมีการคุยเสวนากันถึงความหมายและสาระหนังสือเล่มนี้จนถึงเวลาห้าโมงเย็นครับถ้าใครสนใจเชิญ น, นะครับ ค, ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาแนะนำํำหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านมากค่ะอาตตาชีวประวัติของโยคีปรมหังษาโยคานันธาคะ แล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอวัฒนธรรมวิธีคิดความเชื่อของคนอินเดียซึ่งต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าผูกพันอย่างแนบน่นแล้วก็แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตและก็ความคิดของเราโดยที่บางบทีนี่เราก็ไม่รู้ตัวอีกต่างหากนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์ค่ะแล้วก็ห้องสมุดหลังใหม่คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ที่นี่วิทยุไทย P ีบีสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ